พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองธรรมทายาทสูตรหรือธรรมทายาทสูตรว่าด้วยทายาทแห่งธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเรา อย่าเป็นอมิสตายาตเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอมิสตายาตหากเธอทั้งหลายเป็นอมิสตายาตของเราไม่เป็นธรรมทายาตเธอทั้งหลายจะพึงถูกวินโยชนทั้งหลายติเตียนแม้เราก็จะพึงถูกวินโยชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดา เป็นอามิสทายาตอยู่ไม่เป็นธรรมทายาตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาตเลยภิกษุทั้งหลายหากเราจะพึงเป็นผู้ฉันเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัตกิจแต่บิณทบาตของเรายัางมีเหลือจะต้องทิ้งในเวลานั้น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 เราจะทิ้งลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือเทลงในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์ภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้สวยเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดพัฒกิจมีความสุขตามความต้องการแล้วแต่บิณทบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลือจะต้องทิ้ง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 เราจะไม่ฉันบินทบาทนี้เธอจึงไม่ฉันบินทบาทนั้นแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความอ่อนเพลียนั่นแหละลำดับนั้นภิกษุรูปที่สองได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้สวยเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัรกิจแต่บินทบาทของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลือจะต้องทิ้ง หากเราจะไม่ฉันบัดนี้พระผู้มีพระภาคก็จะส่งทิ้งลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือส่งเทลงในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์ทางที่ดีเราควรฉันบินทบาทนี้เธอจึงฉันบินทบาดนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้ภิกษุททั้งหลาย ภิกษุรูปที่สองนั้นชั้นบินทบาทนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้แต่ภิกษุรูปแรกนั้นก็ยังเป็นผู้ควรบูชาและสรรเสริญกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการไม่ฉันบินทบาทของภิกษุรูปแรกนั้นจักเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลวเลี้ยงง่ายปราความเพียร สิ้กาลนานเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมธายาธของเราเถิดอย่าเป็นอามิสัทายาธเลยเพราะเราก็มีความเอ็นดูในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาธไม่เป็นอามิสัทายาตพราผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดํารัสนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหาร ความไม่สนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานท่านพระสาวรีบุตรได้แสดงธรรมเรื่องวิเวกแก่ภิกษุเหล่านั้นวิเวกคือความสังัดในที่นี้หมายถึงวิเวกสประการคือ 1. กายวิเวกสงัดกาย 2. จิตตวิเวกสังกัดจิต 3. อุปธิวิเวกสังกัดกิเลส ด้วยเหตุเท่าไหร่หนอเมื่อพระศัสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระศัสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สนใจศึกษาวิเวกไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศัสดาตรัสว่าควร ล, ละเป็นผู้มกักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นําในวกกะมณฑธรรม ในที่นี้หมายถึงนิวรณหประการคือการมาชันทะความพอใจในการพยาบาทความคิดร้ายที่นมีทักคือความโหดหูและเสื่องซึมอุทจกกักกุจจกุจักความฟงซ่านและร้อนใจเป็นผู้ทอดทุระในปวิเวกทอดทุระในที่นี้หมายถึงไม่บำเพ็ญอุปธิวิเวกให้บริบูรณ์อันหนึ่งหมายถึงทอดทิ้งหน้าที่ในวิเวกสาประการ คือกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปัิวิเวกคำว่าปะวิเวกหมายถึงอุปธิวิเวกคือสภาวะอันเป็นที่ตั้งที่ทรงไว้แห่งทุกข์ได้แก่กามกิเลสเบญจขันธ์และอภิสังขารกล่าวคือนิพพานย้อนกลับที่บทความใหม่นะครับ เมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายในพระธรรมวิในนี้สนใจศึกษาวิเวกไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศัสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้มกักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในวกกามนธรรมเป็นผู้ทอดทุระในปวิเวกบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นเทระเป็นผู้ควรถูกติเตียนในฐานะสามประการ คำว่าฐานะมีความหมายสี่ในคือ 1. อิสริยะตำแหน่งความเป็นใหญ่ 2. ที่ติคือเป้าหมายที่ตั้ง 3. ขนะดหรือการการในที่นี้คือการเวลานะครับ 4. กาฬณะคือเหตุคำว่าฐานะในที่นี้หมายถึงเหตุบรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุผู้เป็นเทระเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรติเตียนโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ยังมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละ และเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มกักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโว ก, กัมมณธรรมทอธทุระในปวิเวกภิกษุผู้เป็นเทระเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการนี้บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นมชิมะไล่ลําดับลงมาถึงภิกษุผู้เป็นนว ก, กะ คือบวชใหม่เป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการนี้เช่นกันด้วยเหตุเท่านี้แหละเมื่อพระสัสดาประทับอยู่ยังมีวิเวกสาวกทั้งหลายชื่อว่าไม่สนใจศึกษาวิเวกพระสารีบุตรได้แสดงธรรมในยะตรงข้ามกันถึงภิกษุสาวกที่สนใจศึกษาวิเวกละธรรมทั้งหลายที่พระศัสดาตรัสว่าควรละ ไม่มักมากไม่ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกกรรมนธธรรมหรือนิวรห้าไม่ทอธทุระในปวิเวกภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ควรสรรเสริญด้วยเหตุเท่านี้แหละเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายชื่อว่าสนใจศึกษาวิเวกมัชฌิมาปฏิปทา ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมะเหล่านั้นโลภะและโทสะเป็นบาปมัชฌิมาปฏิปทามีอยู่เพื่อละโลภะและโทสะเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุกก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ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 มักขัดความลบหลู่ขุนท่านปลาสะความตีเสมออิ ส, สาความริษยามัฉริยะความตรนีมายามานยาสาเทยะความโอ้อวดธรรมภัความหัวดือ้อสารพักความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขา มัทะความมัวเมาและประมาทะความประมาทท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลสำหรับในส่วนเนื้อหาของธรรมทายาทสูตรอาจจะมีหลายท่านสงสัยนะครับ คอยกข้อความบางส่วนจากอัตถกถามาอธิบายเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมทั้งนี้ในพระไตรปิฎกมีหลายเนื้อความที่มีความหมายซ่อนอยู่มากท่านที่สงสัยหรือไม่เข้าใจอย่าด่วนสรุปเองนะครับอยากให้ลองไปศึกษาจากอัตถกถาซึ่งสมัยนี้สามารถหาอ่านได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ตนะครับเหตุเกิดพระสูตร ธรรมทายาทสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกแสดงขึ้นเพราะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเล่าตอบว่าเรื่องลาบสการะยังได้สดับมาว่าลาบสการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่ทรงสั่งสมทานบารมีให้บริบูรณ์แล้วตั้งสีอสงไขยดังนี้แล้วให้บังเกิดเป็นห้วงน้ำใหญ่คือลาบสการะประดุดมหาเมฆที่จับกลุ่มกันเป็นคู่ค ก่อตัวขึ้นในทุกทิศแล้วตกลงมาให้บังเกิดเป็นห้วงน้ำใหญ่ฉชนั้นและพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลาบสักการะเกิดขึ้นมากฉันใดพระภิกษุสงฆ์ก็มีฉันนั้นเหมือนกันแลข้อนี้สมด้วยคำอ้างที่พระอนุเทระกล่าวไว้ดังนี้ว่าก็ในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนถวายสักการะแสดงความเคารพนับถือบูชานอบน้อม และทรงได้รับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพสัตบริการอยู่เป็นประจำฝ่ายภิกษุสงฆ์แลก็เช่นกันคือเป็นผู้อันมหาชนถวายสักการะและได้รับบริการอยู่เป็นประจำพระผู้มีพระภาคเองก็ตรัสไว้เหมือนกันว่าดูก่อนจุนทักหมู่หรือคณะที่อุบัติขึ้นในโลกในบัดนี้มีอยู่จํานวนเท่าใด หมู่หรือคณะอื่นแม้แต่หมู่หนึ่งตถาคตก็ยังมองไม่เห็นเลยที่จะได้รับลาบอันเลิศและยศอันเลิศเหมือนกับหมู่ภิกษุณนะจุนท์ลาบสักกระนี้นั้นที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์รวมกันแล้วเป็นของประมาณไม่ได้เหมือนน้ําของแม่น้ําใหญ่สองสายที่ไหลามารวมเป็นสายเดียวกันก็เป็นของประมาณไม่ได้ฉชนนั้น ภิกษุทั้งหลายได้กลายเป็นผู้หนักในปัจจัยติดในปัจจัยหมกมุ่นในปัจจัยตามลำดับแม้เมื่อเวลาหลังพัดคือหลังฉันอาหารแล้วเมื่อประชาชนนำธยธรรมมีน้ำมันน้ำพึง่งและน้ำอ้อยเป็นต้นมาถวายภิกษุเหล่านั้นครั้นเคาะระคังแล้วก็ส่งเสียงเอ็ดอึงว่าถวายแก่อาจารย์ของอาตมานะถวายแกอุปชาของอาตมานะ และพฤติกรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นก็ได้ปรากฏล่งรู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าล้อมดำนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดธรรมสังเวชว่าช่างไม่เหมาะเอาเสยียเลยแล้วทรงดำริว่าตถฐาคตไม่สามารถจะบัญญัติสิกขาบทคือห้ามว่าปัจจัยเป็นของไม่สมควรเนื่องจากการบำเพ็ญสมณธรรมของกุลบุตรทั้งหลายต้องอาศัยปัจัย ต่อาเถอตะตถาคตจกแสดงธรรมทายาทปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของผู้เป็นธรรมทายาทซึ่งก็จกเป็นเหมือนการบัญญัติสิกขาบทแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ใคร่ต่อการศึกษาและจากเป็นเหมือนกระจกสำหรับส่องดูได้ทั่วตัวที่ติดตั้งไว้ที่ประตูเมืองอธิบายว่าประชาชนสี่วันณนะเห็นเงาคือรูปของตนในกระจก สำหรับส่องดูได้ทั่วตัวซึ่งติดตั้งไว้ที่ประตูเมืองย่อมขจัดโทษคือสิ่งที่ทำให้หมดความสวยงามแล้วกลับกลายเป็นผู้ไม่มีโทษชั้นใดกุลบุตรทั้งหลายผู้ใคร่ต่อการศึกษาก็ชั้นนั้นเหมือนกันคือประสงค์จะประดับประดาตนด้วยเครื่องประดับคือความเพียรมาน้อมนึกถึงเทศนาซึ่งอุปมาด้วยกระจส่องดูได้ทั่วตัว แล้วต่างพากันลักเว้นอามิสตายาตปฏิปทาหันมาบำเพ็ญธรรมทายาทปฏิปทาก็จักสามารถธรรมชาติชราโมรณะให้สิ้นสุดไปได้โดยจับพลันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประสูนี้ไว้ก็เพราะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในส่วนของพระพุทธดำรัสนนมีอธิบายดังนี้ว่า สถาโคตมีความอนุเคราะห์ความเอ็นดูความมุ่งหวังเกื้อกูลในเธอทั้งหลายว่าด้วยเหตุอะไรหนาด้วยอุบายอะไรหนาพระสาวกทั้งหลายจึงจะเป็นธรรมทายาตเป็นเจ้าของส่วนแห่งธรรมไม่เป็นอามิสถายาตท่านอธิบายไว้ดังนี้ว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นนักบวชหลายร้อยจำพวกเป็นตนว่าภิกษุภิกษุณีและนางศิขามาในอดีตการ คือในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมีหลักฐานปรากฏมาโดยไหนว่าแม้สังคาติของกระบินภิกษุก็กถูกไฟลุกไหม้ดังนี้เป็นต้นและนักบวชในศาสนาของพระองค์เองเช่นพระเทวทัตเป็นต้นซึ่งเป็นผู้เห็นแก่อามิตถลำเข้าไปในอามิตตายแล้วไปบังเกิดในอบายภูมิจนเต็มอบายภูมิแต่ทรงเห็นพระสาวกผู้หนักในธรรม มีพระสาวรีบุตรพระมหาโมคคลานะและพระมหากัสปะเป็นต้นกลับได้บรรลุคุณมีอภิน ญ, ญาและปฏิสัมพิธาเป็นอาทิเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาให้พระสาวกเหล่านั้นหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงไปจากอบายภูมิและได้บรรลุคุณธรรมทั้งหมดบินทบาทที่ไม่ควรฉันห้าอย่าง ถาภิกษุนั้นเมื่อจะคิดว่าดีละ่ะเราพึงยังคืนละ ว, วันให้ล่วงไปก็พึงคิดอย่างนี้ด้วยว่าการที่บรรพชิตจะสแสวงหาบิณทบาดในหมู่บ้านที่เกลื่อนกล่นด้วยสัตว์ร้ายคือเบญจากรรมคุณเป็นการยากลําบากเช่นเดียวกับการสแสวงหาเพสัตว์ในป่าซึ่งชุบชุ่มไปด้วยสัตว์ร้ายแต่ว่าบินทบาดนี้ผลโดยสิ้นเชิงจากโทษในการสแสวงหาดังว่ามานี้ และเป็นบินธบาส ท, ที่เป็นเดนของพระสุคตเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหมือนคติยะกูมารผู้อุปภโตสุชาติคือมีพระราชสมภพดีแล้วจากทั้งสองฝ่ายอันหนึ่งบินทบาสเป็นของภิกษุไม่ควรฉันเพราะเหตุห้าประการเหล่านี้คือหนึ่งเพราะบุคคลผู้ถวายมีข้อหน้าตำหนิคือเป็นบินทบาทของบุคคลอลาลัชี 2. เพราะบินทบาทมีการเกิดขึ้นไม่บริสุทธิ์คือเกิดขึ้นมาจากการแนะนำของนางภิกษุณีและจากการสรรเสริญคุณที่ไม่มีจริงในตน 3. เป็นของไม่ควรฉันเพื่อเป็นการอนุเคราะห์เจ้าของคือภิกษุเจ้าของบินทบาทกำลังหิว 4. แม้ภิกษุเจ้าของบินทบาทนั้นจะอิ่มแล้วแต่บิทบาทก็ยังเป็นของไม่ควรฉัน เพื่อเป็นการอนุเคราะห์อันเตวาสิกเป็นต้นของท่านนั่นเองเนื่องจากอันเตวาสิกหรือคนอื่นๆที่อาศัยบินทบาทนั้นยังหิวอยู่ห้าแม้คนเหล่านั้นจะอิ่มหนำสำราญแล้วแต่ว่าบินทบาตก็ยังเป็นของไม่กวนฉันเพราะความไม่มีศรัทธาคือภิกษุเจ้าของบินทบาตยังไม่มีศรัทธาบินทบาทนี้ ก็ค้นแล้วโดยสิ้นเชิงจากเหตุห้าประการเหล่านั้นความจริงแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นยอดของลัทธิบุคคลทั้งหลายบินธบาทมีความเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอิ่มนำสำราญแล้วทั้งบุคคลอื่นที่หวังเฉพาะเจาะจงในบินธบาทก็ไม่มีคนเหล่าใดเป็นผู้มีศรัทธาในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นยอดของคนเหล่านั้นดังนี้ และภิกษุนั้นรั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงฉันบินทบาดนั้นแล้วปล่อยให้คืนละ ว, วันล่วงไปด้วยเหตุผลดังกล่าวมาเพียงเท่านี้แม้ภิกษุใดไม่ฉันบินทบาต ท, ที่เป็นเดนพระสุคตแต่บำเพ็ญสมณะธรรมภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ฉันบินทบาต ท, ที่กวรฉันทีเดียวภิกษุใดฉันแล้วบำเพ็ญสมณธรรมภิกษุนั้น ชื่อว่าฉันบินทบาทที่ควรฉันโดยแท้ความแปลกกันในบินทบาทไม่มีแต่มีความแปลกกันอยู่ในบุคคลความว่าภิกษุรูปแรกผู้ปฏิเสธบินทบาทนั้นแล้วบำเพ็ญสมณธรรมโน้นนั้นแหลของตถาคตดูเหมือนจะเป็นผู้ ก, ล, กล้ากว่าในบรรดาสาวกสองรูปของตถาคตซึ่งเป็นผู้ ก, ล, กล้าและดูเหมือนจะเป็นบัณฑิตกว่าในบรรดาสาวกสองรูป ผู้เป็นบัณฑิตของเราตถา Yours, คตชื่อว่าเป็นผู้น no okay <Pues S 1> <ไม>่าบูชากว่าและน่าสันเสริญกว่าเหตุที่น่าบูชากว่าและน่าสรนเสริญกว่าเพราะการห้ามบิณฑบาตนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยเพื่อความปรารถความเพียรสิ้นกาลนานสำหรับภิกษุนั้นคือภิกษุนั้นถ้าสมัยต่อมาจะเกิดความมักได้ ความปรารถนาลามกหรือความมากๆในปัจจัยทั้งหลายขึ้นลำดับนั้นภิกษุรูปอื่นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้นจาักการเธอไว้ด้วยตะขอคือการห้ามบิณฑบาตนี้ว่านี่นะท่านท่านปฏิเสธบินทบาตแม้ที่เป็นเดนของพระสุคตแล้วก็ยังเกิดความปรารถนาเช่นนี้ขึ้นจนได้นี่เป็นนัยยะในการห้ามความไม่ขัดกล่าวกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ การปฏิเสธบินทบาทนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษและความขัดเกลวกิเลสสำหรับเธอก่อนในคำว่าเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายมีการพันนาดังต่อไปนี้ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เลี้ยงยากบารุงยากทั้งแก่ตนเองทั้งแก่อุปัฏฐากส่วนบางรูปเป็นผู้เลี้ยงง่ายบารุงง่ายทั้งแก่ตนเองทั้งแก่อุปัฏฐาก อธิบายว่าภิกษุรูปใดได้อาหารที่เปรี้ยวเป็นต้นแล้วยังสแสวงหาอาหารอื่นมีอาหารที่มีรสไม่เปรี้ยวเป็นต้นทิ้งสิ่งของที่ได้ในเรือนของคนหนึ่งไว้ในเรือนของอีกคนหนึ่งเที่ยวจาริกไปจนหมดเวลาบิณฑบาตแล้วมีบาทเปล่ากลับเข้าวัดนอนภิกษุรูปนี้จัดว่าเป็นผู้เลี้ยงยากสาหรับตนเอง ส่วนภิกษุรูปใดแม้ทายกจะถวายข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นต้นจนเต็มบาทแล้วก็ยังแสดงสีหน้าบึ้งตึงและความไม่พอใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อจะดูแคลนบินทบาทนั้นต่อนหน้าคนเหล่านั้นว่าพวกท่านถวายของอะไรดังนี้จึงให้บินทบาทนั้นแกอนุปสมบันมีสั ม, มนเนรและข้ารือหัอื่นเป็นต้นไปเป็นการประชดภิกษุรูปนี้จัดว่าเป็นผู้เลี้ยงยาก สำหรับผู้อุปถากทั้งหลายพวกชาวบ้านเห็นเธอเข้าก็จะพาหลีกหลบหน้าเสียแต่ไกลทีเดียวด้วยนึกตำหนิว่าระเลี้ยงยากพวกเราไม่สามารถจะเลี้ยงดูท่านได้หรอกส่วนภิกษุใดได้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นของชนิดดีหรือชนิดเลวก็ตามมีจิตสันโดษฉันอาหารนั้นแล้วกลับวัดไปทำงานของตนต่อไปภิกษุรูปนี้ จัดว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสำหรับตนและภิกษุรูปใดไม่ดูหมิ่นทานของคนอื่นจะน้อยหรือมากจะดีหรือเลวก็ตามมีจิตยินดีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสฉันต่อหน้าคนเหล่านั้นแล้วจึงค่อยไปภิกษุรูปนี้จัดว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสำหรับผู้อุปัฏถากพวกชาวบ้านครั้นเห็นพระรูปนั้นแล้วต่างก็พากันดีใจอย่างยิ่งยวดว่า พระกุณนเจ้าของพวกเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันโดษแม้ด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆพวกเราจากเลี้ยงดูท่านครั้นตกลงแล้วก็พากันบำรุงเลี้ยงดูในพฤติกรรมนั้นถ้าสมัยต่อมาเธอจะเกิดความคิดขึ้นในทำนองจะเป็นผู้เลี้ยงยากทั้งแก่ตนเองหรืออุปถากทั้งหลายไซ้คราวนั้นภิกษุรูปอื่นพิจารณาเห็นอย่างนี้ ก็จะช่วยกันเธอไว้ด้วยตกขอคือการปฏิเสธบิณฑบาตนี้ว่านี่แน่ท่านท่านปฏิเสธบิณฑบาต ท, ที่เป็นเดนของพระสุคตแล้วยังมาเกิดความคิดเช่นนี้ขึ้นจนได้เมื่อเป็นอย่างนี้การปฏิเสธบิณฑบาตก็จะเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายสำหรับเธออันหนึ่งถ้าเธอจะเกิดความเกียดร้านขึ้นภิกษุรูปอื่น ก็จัช่วยกันไว้ด้วยตะขอนั้นเหมือนกันว่านี่เนี่ยท่านท่านปฏิเสธบิณฑบาต ท, ที่เป็นเดนของพระสุคตแล้วคราวนั้นแม้จะถูกความหิวและความอ่อนกําลังครอบงำก็ยังบำเพ็ญสมณะธรรมได้ฉะไหนวันนี้จึงหันมาหาความเกียดคร้านเสียเล่าเมื่อเป็นอย่างนี้การปฏิเสธบิณฑบาตจะเป็นไปเพื่อการปรารบความเพียรสาหรับเธอ การปฏิเสธบิณฑบาตนี้ของภิกษุนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยเพื่อการปรารบความเพียรตลอดกาลนานดังกล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนที่ยกมาจากอัตถกถานะครับก็อยากให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาให้ท่วนถ้าเกิดความสงสัยในเนื้อหาเพราะธรรมะไม่เหมือนวิชาทางโลกนะครับ ในบางหัวข้อต้องอาศัยการศึกษาที่ละเอียดและการปฏิบัติที่เข้าถึงด้วยถึงจะเข้าใจนะครับ